ข้อแท็บวันนี้เกี่ยวกับเรื่องชีวิตหล่มพ่อครับคนเราเมื่อถูกถามถึงเรื่องเกี่ยวกับคาว่าชีวิตนั้นแต่ละคนก็ตอบกันไปแต่ละอย่างตางความรู้ความเห็นความเข้าใจของตนอย่างถ้าเป็นเด็กๆ ก, ก็อาจจะตอบว่าชีวิตคือความสนุกสนานถ้าเป็นหนุ่มสาวก็อาจจะตอบว่าชีวิตคือเรื่องสวยๆงามๆ และเรื่องกิจกรรมระหว่างเทศพอโตมามีครอบมีครัวแล้วก็าอาจจะตอบว่าชีวิตคืองานและการสะสมทรัพสมบัติและสะสมเกียรติยศชื่อเสียงส่วนถ้าเป็นคนแก่ก็าอาจจะตอบว่าชีวิตคือผลของกรรมที่ตนทำมาแล้วแต่ชาติปางก่อนถ้าตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เรื่อยๆไปไม่มีที่สิ้นสุด หรือว่าจนป่าจะได้ฟังธรรมะจากพระสีอาริยะแม่ไตรเป็นต้นถ้าหากถามคนที่เข้าวัดหรือแก่วัดหน่อย mm. ก็อาจจะตอบเป็นสำนวน ว, นว่าชีวิตคือกายกับใจหรือว่าชีวิตคือรูป ก, กับนามหรือชีวิตคือขันห้าบ้างธาตุสบ้างธาตุหบ้างได้แก่ดินน้ำไฟลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุ ดังนี้เป็นต้นในวันนี้กระผมจึงใค่จะขอนามสการกราบเรียนถามหลวงพ่อถึงข้อคิดเห็นของหลวงพ่อเกี่ยวกับเรื่องนี้ดังนี้ครับผมข้อที่หนึ่งชีวิตคืออะไรข้อที่สองชีวิตที่มีทุกข์และชีวิตที่ไม่มีทุกหมายความว่าอย่างไรข้อที่สาม ความเป็นธาตุและความเป็นไทยที่ว่าเป็นธาตุนั้นเป็นธาตุของอะไรและความเป็นไทยนั้นเป็นไทยจากอะไรและเป็นไทยได้ด้วยวิธีใดข้อที่สี่ตามพระบาลีที่ว่าจิตตังประพัดสรังหรือที่แปลว่าจิตแต่เดิมแท้นั้นประพัดสอนและก็ที่สุดทุกคนก็ต้องตาย ถึงจะรู้ก็ตายถึงจะไม่รู้ก็ตายดังนั้นก็อาจจะสรุปง่ายๆครับผมแบบกำปั้นทุก์ดินออกมาได้ว่าตอนเกิดมาก็ไม่มีทุกข์อยู่แล้วและที่สุดก็ต้องตายเพราะฉะนั้นจะต้องปฏิบัติธรรมไปทำไมกันถ้าจะชวนกันฆ่าตัวตายเสียให้หมดจะไม่ง่ายกว่าหรือครับข้อที่หชีวิตต่อตายแล้วมีอยู่หรือ คุณสัจพันธ์พร้อมเมื่อคณะที่ทำงานอยู่ร่วมกันหลายคนหลายท่านมาฟังเทศหรือมาฟังธรรมหรือมาถามปัญหาข้อที่สงสัยอาตมาก็จะได้ตอบหรือแก้ตามอุดมการของอาตมาอันผิดผูกดีทั่ว มันเป็นเรื่องของคนที่ฟังคนที่ตอบก็ต้องตอบไปตามอุดมการของเราอย่างที่พวกคุณเป็นผู้มีความรู้มีศึกษาประสบการณ์มามากตัวหลวงพ่อไม่เคยศึกษาแลกกับประสบการณ์อื่นๆก็ไม่ค่อยมีมีแต่เรื่องการประสบแสวงหาข้อวัดปฏิบัต ตัวเองเท่า น, นั้นเองวันนี้เป็นวันที่สิบธันวาสอ้ายี่ิพวกท่านทั้งหลายถามเกี่ยวกับเรื่องชีวิตคืออะไรอาตามามีความเห็นควมเห็นคมรู้ผมเข้าใจว่าชีวิตคือความเป็นอยู่จากเป็นอยู่อย่างไรก็คือชีวิตนั่นเอง ข้อที่หนึ่งข้อที่สองชีวิตมีทุกข์และชีวิตที่ไม่มีทุกข์มีความหมายต่างกันอย่างไรชีวิตมีทุกข์กับชีวิตไม่ีทุกข์ต่างกันมากชีวิตมีทุกข์ก็คืนหนักอกหนักใจมือดอยู่ในอกในใจไม่มีความสว่างเลยใครพูดอะไรอยากไปถามอยากเข้าใจในคําพูดอันนั้น การถามเนี่ยจะถามเท่าไหร่ก็ไม่มีความสว่างทางจิตใจเลยการรู้จากตำรับตำลาจดจำมานั้นก็ไม่มีความสว่างทางจิตใจเลยเป็นอย่างไรใช่ไ่มครชีวิตมีความทุกข์ชีวิตที่ไม่มีความทุกข์นั้นไม่ถามใครก็สว่างเพราะการปฏิบัติธรรมไม่ได้ไปศึกษาตำรับตำราก็สว่าง เพราะรู้จักตัวเองื่อว่าไม่มีทุกข์ชีวิตจงไม่มีทุกข์ไม่สงสัยทุกแง่ทุกมุมแต่ว่าสงสัยอย่างที่เราไม่รู้อาจจะสงสัยเรื่องชีวิตของตัวเองไม่สงสัยเป็นอย่างไรอาตมาสามรวมเป็นธาตุและควมเป็นไทยนั้นเป็นธาตุของอะไรและเป็นไทยจากอะไรด้วยวิธีใด เป็นธาตุก็หมายถึงเป็นธาตุของโทสัเป็นธาตุของโมหะเป็นธาตุของโลภะเป็นธาตุของกิเลสเป็นธาตุของตัณหาจึงว่าเป็นกรรมกิเลสตัณหาอุปทานกรรมเมื่อมีความยึดมั่นถือมั่นอันใดแล้วก็เป็นกรรมชนิดนั้นเป็นธาตุของสิ่งเหล่านี้เป็นไท่บัณฑิคือความพ้นไปจากสิ่งเหล่านี้ พ้นไปจากโทสะพ้นไปจากโมหะพ้นไปจากโลภะพ้นไปจากควมอิจฉาลิสัญญาเดียดเบียนเดี๋ยพ้นไปจากกิเลสพ้นไปจากตัณหาพ้นไปจากอุปาทานกรรมเหล่านั้นเพราะการกระทํารู้สึกตัวเองนี่เองเดว่าวรวมเป็นไถ่แพ้หมายถึงไม่ได้เป็นธาตุของไข่แต่ไม่ได้เป็นธาตุของคนนะที่ตัวหลวงพ่อพูดนี้ คือเป็นธาตของควมหลงพิษนั่นเองแบบ น, นี้ข้อที่สี่ตอนเกิดมาก็ไม่มีพกุกและที่สุดก็ต้องตายดังนั้นจะต้องปฏิบัติธรรมมะ ไปทำใหม่ส่วนกันค่าตัวตายเสียให้หมดไม่ง่ายเลยอันโคมคิดอันนี้ก่เช่นเดียบกันนะอันโคมตายนั้นเนะี่ยเราจะดำมืดหรือเราจะอยู่ด้วยสว่างไม่ใช่ตายแล้วจะมีสุขตายแล้วจะมีทุกข์ไม่ใช่อย่างนั้นแต่เราจะอยู่ด้วยโคมมืดด้วยจะอยู่ด้วยโคมสว่างนี่เอง ถ้าเราอยู่ด้วยความมืดก็แสดงว่าไม่มีราคาในชีวิตของเราถ้าเราอยู่ด้วยความสว่างชีวิตของเราก็จะมีค่ามีราคามากขึ้นทีนั้นวิธีต่อไปคือชีวิตต้องตายแล้วหลังจากตายแล้วมีอยู่หรือไม่อันนี้ก่อนมีการเปรียบเทียบให้ฟัง แต่ ว, ว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้เพราะเราไม่เห็นด้วยตาสัมผัสไม่ได้ด้วยมือสมมุติคือไม้ไม้บ้านหลวงพอ่อเป็นไม้แห้งกว่าตามไม่ดิบกว่าตามเอามาเผาไฟเอามาจุดไฟเอามาก่อกองไฟอะไรก็ได้เมื่อไฟไหม้ไม้นั่นหมดไม้จะเป็นเทาเป็นท่านไปทั้งหมดหรือเป็นเทาเป็นฟุ้นไปทั้งหมดตัวไม้ไม่มี จะเป็นไม่แห้งก็ตามจะเป็นไม่ดิบก็ตามถ้าไฟไหม้หมดแล้วไม่ไม่มีไม่ไม่มีแล้วเอามันเป็นเท้าบ่เนี่ยเท้าไหม้แห้งหรือเท้าไม่ดิบเราไม่รู้แล้วเอาเท้านั้นไปเผาไฟอิดไฟก็ไม่ไหม้ไฟไม่ไหม้ที่ดินแต่ว่ามันร้อนเป็นนะที่ดินก็ได้มันไม่มันไฟไม่ไหม้ก่อนอย่างร้อนอยู่นั่นเองดังนั้น ถ้าไม้เป็นเท้าเป็นทานไปหมดแล้วไม่มีทานแล้วมีแต่ที่เท้าเป็นฟุ่นทั้งหมดแล้วพูดเรื่องนี้อาจารยมาขอพูดเป็นภาษาบ้านเราไม้เขาเนี่ยเมื่ออย่างเป็นไม้อยู่ไม่ดิบกระร่างไม่แห้งกระตางลำท่อกันไม่ดิบมันนักไม่แห้งมันเบาันถ้าไม้แห้งนั้นใหญ่กว่เบาถ้าไม้ดิบนั้นน้อยกว่านัก พอมันจมน้ำมันมีน้ําซึงอยู่ในวันนี้เขาไปจุดไฟบนี้เอาไปเผินหรือสังกันใดเอาไปเผาไฟก็สดงวันนี้ไฟมันไหม้ไม่แห้งกับไม้ไม่ดิบกับไม้เขาไปเบื้องเขาเผาคนตายจุกคนตายหลวงพ่อเคยไปจุดคนตายพอดีคนตายเลยเขาจะเอาไม้ดิบใส่หมดไส่ตะโบไม้จะเอาไม้แห้งใส่หมดนั่นแหลมันไฟมันไหม้หมดง่ายเป็นอะไรจำเป็นต้องเอาไม้แห้งกับไม้ดิบในปนกัน ไอ้จุดใส่แล้วเขาจะผิสูจน์ได้อย่างสิบันนี้ไฟมันไม่เม็ดไม่แห้งกับไม้ไม่ดิบกับไม้ไม่เม็ดบันนี้เขาจะไปเลือกเอาท่านมานันนะัะน่ะอันนี้ท่านไม่แห้งอันนี้ท่านไม่ดิบกับบุหุจักหรือมันเป็นขี้เทาไปเม็ดแล้วเหา ก, กับบุูุจักว่าอันนี้เป็นเทาไม่ดิบอันนี้เป็นขนนี้ เ, เทาไม่แห้งเหากับบุูุจักเป็นขี้เทาเหมือนกันเม็ดเป็นอย่างไรอย่างว่าชีวิตของคนเหาเนี้ผูท้ทีอยู่ด้วยขนเม็ด แล้วก็เซื้อว่าไปยาหมาญยาเป็นทุกผู้ที่อยู่ด้วยคนแจ้งขมสว่างนะ่ะไปสบายมาสบายโมต้องใต้ฝุ่นใต่ไฟไต่ได่มันโมเป็นทุกั น, นเป็นน้ำสั่งตามขมคิดขมเห็นตามอุดมการณ์ของอหลวงพอเรื่องของอตมานดังนั้นการตายนั้นเียกว่ามีวิญญาณหรือว่ารู้ก็ได้หรือว่าโมมีบินญาณบโมรู้ก็ไ ด, ญญได้เปรียบให้ฟงังคือมันเป็นเรื่องจมหมด พวาเสนเขากบบุจักกันเหาะบหุจักนี่ความูจักแล้วเนี่ยบมต้องถามไทยกันมดพราะเหาะหูนี่สมบูรณวันหนึ่งสองมันเปี่ยนเอาเงินใบละบาทมาวางไว้นี่เขาก็ะจิหุจักว่าเลขหนึงใบละบาทอันนี้ขันเอาใบละสิบบาทเขาก็ะจิหุจักว่าเลขหนึงกับเลขศูนใบละสิบบาทอันนี้ก็ะจิหุจักง่ายเขาจึงบกเกอร์เขน ไม่จรเียนหนังสือเป็นของูุ้จักบ่เห็นหนังสือเป็นกง็งุจักว่าใบาละบาทใบละสิบบาทใบละยี่สิบบาทใบละรอยบาทนาี่ของขุจักเพราะเขาเคยจัดเนี่ยมันสมมุติเปียบให้ฟังสือ่อนี่เป็นวิธีที่การมาแก้ปัญหาให้ฟังในมือในกอ้กาะบางที่อาจจะทูกใจก็ได้ไม่ทูกใจก็ได้ คำว่าทุกข์ใจไม่ทุกข์ใจเนี่ยมันเป็นยังไงอยากหัวจต้องสนิทเติมเพราะการหามมันไม่มีการสิ้นจบเป็นคำว่าทุกข์ใจนั้นมันไม่ทุกขมาหัวใจพวกนี้มันทุกข์ใจกิเลสกิเลสท่มันทุกข์ใจมันไม่ทุกข์ใจอันกิเลสท่ามันดีใจมันเสียใจพอใจไม่พอใจดีใจเสียใจเป็นกิเลสทางนั้นอันตัวจิตใจเราจริงๆเป็นอย่างไรงสนิทจิตใจจริงๆนั้นมันซื้อ มันซื้อซื้อเจ้าว่าคือกับปืนกับไฟนั่นแหละไฟไหมเหมือนแล้วมันซื้อซื้อมันซื้อซื้ออยู่ที่เท้าอันหนึ่งคันมันยังเป็นปืนมันยังเป็นไม้อยู่กับไฟเป็นไม้งั้นกิเลกกับมือนกับไฟนั่นคืเป็นขมร้อนวันนี้ไฟไหมปืนเหมือนเราปืนบ่มีเป็นที่เท้าอยู่ไฟไปไหมที่เท้านั้นได้บ่โบไหม่ได้นี่มันเป็นอะไรเจีาว่ามันสมมุดเจีาว่ามันโพยยา เรื่องเรื่องจางที่มันพูดยากจริงๆเพราะว่าต้องปฏิบัติต้องปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติแล้วไม่เข้าใจที่หลวงพอ่อหรืออาตมาให้ข่มคิดข่มเห็นตามทัศนะคตมคิดของเห็นของหลวงพ่อเป็นอย่างตันไพทีว่าใช่ไหมคัเรื่องของคนอื่นเรื่องของคนอื่นเนี่าเอามาเห็นเรื่องของเขา ถ้าหากเขาไปเอาเรื่องของคนอื่นมาให้เรื่องของเขาแล้วก็ทุกแล้วชีวิตนั่นจึงว่าเขาที่เอามาเว้ากันได้างาหมายว่าซีวิตนั่นคืออะไรอย่างนั้นอย่างนี้โอซีก็คือความเป็นยูนั่นแหละเป็นยูนอย่อยอยางใดกต่ซีวิตก็เป็นยู่อย่างสันคนจึงบุคือกันผู้ทุกข์ก็มีผู้บุทุกข์ก็มีผอปัญญาคน ก, ก็นีคนที่รวยก็มีคนที่จนจนก็มีเ น, น, นี่ยเป็นแบนบนี้ คนที่เห็นหนังสือได้หนังสือหลายตัวนี้คนที่เห็นหนังสือได้พอปั่นกาในกล่าวนี้คนที่บุกเคยได้ตู้ได้เรียนกลาวนี้แต่ว่าเรื่องเงินเรื่อ้จักคือการมัดบละหนึ่งบาทบละสิบบาทบ่ายละสาวบาทบละยี่สิบาทบ่ายละลอยเนี่ย้จับมัดทุกคนคนที่เห็นหนังสือกับหุ้จักคนที่บุกเห็นหนังสือกับหุ้จักเรื่องหนึ่งอาจจว่าเรื่องซีรีส์นี่ ยวัาชีวิตนั้นเขาก็ที่จับมาว่าให้ฟังบมไดา้มันมบเป็นตุ้มมเป็นโ ต, นโตวันนี้ที่อาตมาได้มาให้ข้อคิดเป็นเครื่องเตือนจิตสักจิตใจของพวกท่านพวกคุณแล้วก็เอาไปพิจารณาอเองการที่แก้ปัญหาแก้ข้อสงสัยนั้นอาตมามีอุดมการแบบนี้ใครจะพูดยังไงก็เป็นเรื่องของคนนั้นคนนี้ดังนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นจึงว่า ปฏิบัติที่ตัวเองไม่ต้องไปเข้าป่าเข้าดงเข้าภูเข้าถ้าที่ลึกที่คนไม่พบไม่เห็นนะไม่ต้องไปอย่างนั้นก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้ตัวอาจามาเคยเข้าถ้าเข้าป่าเข้าภูมาแล้ว<ม>เคยไปนั่งนั่งกรรมฐานหลับตาภาวนาพุทโธสัมมาอ阿ะหังนับหนึ่งสองสาม ฮองยุบดูลมหายใจเคยทำมาแล้วชีวิตอันนั้นยังไม่มีกฎสว่างในใจยังมืดอกมืดใจยังไม่รู้จักทิศทางาอาจะมาเปรียบกับคนตกน้ำที่พูดให้ฟังมาแล้วหลายครั้งหลายหนคนตกน้ำเนี่ยเขาตกน้ำปุ่มลงไปสิจจำเป็นมันต้องจมลงพันทีเลยทุน้ำท่วมหัวเลย เ น, นี่ยเป็นยังไถ้าหาคนบางคนนะ่ะจมลงไปจนถึงพื้นดินขึ้นเลยถึงพื้นดินแล้วก็หลอนยันพื้นดินโผล่ขึ้นมาคนไม่เคยลอยนะ้ำโผล่ขึ้นมายังไม่ได้ทันได้พ้นน้ำดีมันหมดแหงที่เขายันพื้นดินขึ้นมานะเลยไม่ได้เห็นตะฟังเห็นขอบเห็นแดนน้ำะตะฟัางอยู่ทางไหนจะไปทางไหนไม่ดูเลยจมปิ้งออกไปที นี่ก็เลยตายเลยเปอย่างนั้นถ้าคนที่เคยลอยน้ำเป็นตกน้ำปุ้มลงทีบางทีก็ไม่ถึงถ้าหากน้ำลึกไม่ถึงบิมันก็จะฟูขึ้นมาพอเี่ยฟูขึ้นมาพ้นหัวขึ้นมามองดูไปเห็นตะฟ้างอยู่ข้างนั้นข้างนี้แล้วก็ลอยไปเนี่ยไปอย่าง้เหนื่อยเหนื่อยแล้วก็พักผรอนไปลอยไปเนี่ยเปอย่างนั้นบางคนตกน้ำปุ้มลงไป น้ำ ม, มันตื้นเพียงอึกหรือเพียงคอเราเนี่ยก็ถึงดินย่างไปแต่ถ้าเป็นน้ําไหล น, นี้น้ํามันไหลอย่างที่น้ําโขงหรือน้ําบ้านหลวงพ่อน้ําห้วยห้วยสวยนี่ยมันนองมาจั่งไม่อยู่เพียงคอนี่แต่เพียงอึกเพียงแอวเนี่ยก็ยืนไม่อยู่เลยน้ํามันพัดไปจําเป็นก็ต้องเพียงคอก็ต้องลุยน้ําไหลไปแต่ลุยไหลไป ลอยไปหาทัมฟังได้เร็วเพราะว่ามันไม่เหนื่อยมากาคนที่ตกลงไปมายืนกันยังโพสูได้นี่คนบางคนตกน้ำปุ๋มลงไปเี้น้ำมันตื้นเทียงหัวเข้าหรือแทงเหล่านี้กับยางไปน้ำจะไหลจะเที่ยวปันขก็ตามไม่มีการกระเทือนเลยคนนี้ยางไปได้สบายเป็นอย่างนั้นที่อุปมาให้ฟัง เดินขึ้นไปจนวิกน้ำแล้วก็เดินบนบกได้ไปอย่างนี้เรื่องชีวิตจิตใจก็เช่นเดียวกันคนมีทุกข์กับคนไม่มีทุกข์ก็เช่นเดียวกันที่อุปมาเปรียบให้ฟังเพราะมีควคิดควเห็นอย่างนี้จะเปรียบเทียบกันได้เพียงแค่พูดนี้ให้ฟังแล้วเอาไปพิจารณาเองคนตกน้ำจมไปเลยเพราะว่าไม่เคยลอยน้า ก่อนที่ไปถึงดินตายแล้วเนี่ยเป็นอย่างไ น, นคนตกน้ําถ้าหาว่าคนเคยลอยน้ําเป็นตกปุ๊มลงไปมันก็ต้องจมหัวโผล่ขึ้นมาแล้วไม่ยอมให้จมบางทีคนตกน้ําปุ๊มลงไปน้ําพอเพียงคออย่างที่พูดแล้วมันก็ต้องเอาหัวลงหรือเอาทางไหนตกลงไปต้องปุ๊มลงไปบางทีอาจจะท่วมหัวก็ได้ไม่ท่วมก็ได้แล้วเข้าใจว่ามันถึงดินแล้วเนี่ยเป็นอย่างไง ก็จะเดินไปได้ลอยไปได้จั้บางคนตกลงไปเพียงอึกเพียงแอลตามที่เปียกเตียมให้ฟังเพียงหัวเข้าแข้งหรือว่าท่วมหลังตีนหลังเท้านี่เขาได้เป็นอย่างนั้นแล้วคนจำพวกนี้ใครจะเดินไปได้สบายสะดวกดีเท่ากันเราพิจารณาเองเรื่องเพยนี้ดังนั้นเรื่องชีวิตจิตใจนี้จึงว่ามันมองไม่เห็นควรเป็นทุกข์หรือไม่ทุกข์น่ก็มองไม่เห็น จะเปรียบเทียบให้ฟังเรื่องความทุกข์ความสุขนั้นมันไม่เหมือนกันมีเพื่อนอยู่สองคนด้วยกันว่าอย่างนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราให้ฟังการเกิดมาเนี่ยเคยไปทําบุญร่วมกันเคยไปรักษาศีลด้วยกันเคยไปทํากรรมฐานร่วมกันผลที่สุดตายแล้วเหมือนกันเนี่ความทุกข์ความสุขมันเป็นอย่างนี้ตาย ตายแล้วบัด น, นี้คนที่รักษาศีลหรือให้ทานบริสุทธินั้นตายแล้วก็ต้องไปเกิดเมืองสวรรค์เป็นเทวดาว่าอย่างนั้นพ่อแม่ปูย่ย่าตาทวดครูบาอาจารย์เราให้ฟังบัด น, นี้คนที่ให้ทานไม่บริสุทธิ์รักษาศีลไม่บริสุทธิ์ให้มาทากรรมฐานอันใดก็ตามเละไม่บริสุทธิ์ตายแล้วก็เลยไปเกิดเป็นนอน อยในห้องส้วมของพระไม่ใช่ส้วมนอนนะส้มอุจจาระเนี่ยบ่อนไปท่ายอุจจาระท่ายหนักนั่นแหละทายหนักท่ายเบานั่นแหละแต่เป็นนอนโดยบันนี้ทั้งสองคนนั่นแหละก็มีการแสวงหากันเพราะว่าได้ให้ทานรักษาศีลทําบุญอะไรร่วมกันเลยไม่พบไม่เห็นกันเลยก็เลยต่างคนต่างแตแสวงหากันดีอย่างนั้น ผู้ไปเกิดเป็นเทวดานั้นมีโอกาสในเวลาที่จะ้มหน้ามองเห็นทิศทางทางใต้เหว่าทางลุมแล้วขึ้นไปอย่างที่เคยพูดกันมาคนที่ขึ้นไปยู่บนภูเขาสูงสูงสามารถที่จะมองเห็นพื้นดินทางใต้ทางลุมนี้ได้หรือจะเปรียบอีกอย่างหนึ่งก็เหมือนอย่งที่เราขึ้นไปเครื่องบิน ไม่จะขึ้นเครื่องบินพาไปที่ถึงฟ้าคุนึกจะเปรียบอย่างที่เราไปนั่งกระเซ้าอย่างที่เขาทํากระเซ้ า, าที่มาเลเซีอยอันนี้เราเป็นนั่งกระเซ้าแล้วเขาเอามีเสื้อแล้วก็เป็นนั่งย้่นัสี่คนห้าคนแล้วก็นั่งกระเซ้ากระเซ้าก็ไปก็มองเห็นทิศทางหลายที่หลายทางแล้วก็คนอยู่พื้นดินบนภูเขามองไปไม่เหมือนกันเปรีอย่างนั้น เปรียบเทียบได้อย่างในเรื่องฟิสิกของคนดังนั้นการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันคนตกน้ำก็เหมือนกันความสว่างนั้นจะไม่เหมือนกันดังนั้นคนที่เป็นหนอนนั้นจึงไม่สามารถมองเห็นเทวดาก่อนเทวดานั้นจึงสามารถมองเห็นหนอนก่อนเมื่อมองเห็นหนอนแล้วก่อนเลยมาหาผู้เป็นเทวดามาหาหนอนก็เลยมาเฮ้ยเพื่อนทําไมมาอยู่ที่ตรงนี้ โอ้ผู้เป็นน้องกันเลยรู้ว่าเสียงเพื่อนเราเฮ้ยเพื่อนมาจากที่ไหนถามกันเลยบอกรู้จักกันไดน้เมื่อต่อได้ยินได้ฟังเสียงกันแล้วฟังกันได้แต่ว่าซอกหากันยงไม่เห็นเมื่อได้ยินฟังเสียงแล้วก็เลยรู้เสียงกันได้มองเห็นกันได้ผู้เป็นเทวดาก็เลยบอกว่าเราไปเกิดเป็นเทวดาอยู่เมืองสวรรค์ ก็เลยถามเมืองเทวดาเมืองสวรรค์นั้นมีความทุกข์ความสุขอย่างไงเพื่อนเราให้ฟังคุณค่าของเมืองสวรรค์บ้างไหมผู้เป็นนอนถามผู้เป็นเทวดาก็เลยเล่าให้ฟังเมืองสวรรค์เมืองเทวดานั้นมีของทิพย์เป็นทิพย์อยากได้อันใดก็เป็นทิพย์หรืออะไรเนี่ยอันใดก็เป็นทิพย์อยากได้เสือ้อได้ผ้า ก็นึกเอาก็ไหลมาเลยอยากได้เงินอยากได้คำนึกแล้วก็ไหลมาเลยอยากได้บ้านดีๆสวยๆงามๆามนึกแล้วก็มีบ้านขึ้นมาสวยๆงามๆเป็นยงงอย่างไงจึงหวะเมืองสวรรค์มีความสุขอย่างไรทางผู้เจ้าหนอนเนี่ยประคิดว่ามีควมทุกข์เนี่ยนะแน่ความเห็นมันไม่เหมือนกันอย่างนี้แหละจากการกระทำซีรีส์ของคนก็เหมือนกัน ตายแล้วก็เหมือนกันมันความคิดของคนเนี่ยตายแล้วนั่นมันไม่รู้ไม่รู้แลแต่ว่าเราต้องศึกษาและพยายามให้รู้แต่เมื่อเป็นคนนี่เองควมทุกข์มันเป็นอย่างนั้นควมไม่ทุกข์มันเป็นอย่างนั้นตายแล้วจะมีความสุขอาตมาก็ไม่รู้มีความสุขหรือไม่มีความสุขก็ここยังไม่รู้เพราะยังไม่ถันตายนี่อาตมาก็ยังไม่ทันตายจะรู้ทําไมลูกก่อนล่วงหน้าไม่ได้ การปฏิบัติธรรมะจะเป็นการคัดคิดเอาไม่ได้เป็นอย่างนั้นบัดนี้ไอ้เจ้าหนอนเนี่ยก็เลยไม่ไปเคลวดาก็เลยถามเธออยู่นี่มีความทุกข์ขุนศึยมีความสุขไม่ต้องได้นึกได้คิดอะไรไปเลยนี่เพราะควรจะเห็นมันเป็นอย่างนั้นว่าทำไมจึงว่ามีความสุขอยังไงมีความสุขเพราะไม่ได้นึกได้คิดอาหารดีๆทั้ทงนั้น เขาเอามาถวายให้เลยไม่ได้นึกต้องการยามใดเอาอยามนั้นหลยพลิกเคียงตีงโตมีแต่อาหารดีๆทั้งนั้นเพราะเป็นอุจลานอนอยู่กับอุจลาเด็เป็นนอนเองอยู่กับของเนา่าของเหมน็นเป็นอย่างนั้นบัด น, นี้ผู้เป็นเทวดาก็เลยพูดอันนี้ไม่ใช่เป็นอาหารนะเพื่อนเป็นอันใดส น, าานิทถามให้อาจฉริมาพูดภาษาบ้านอาจฉรมาอันนี้ดีเป็นอันใดอันนี้ขี้อนนเนเชียววะท่าน เรือ่อนโอ้ oh. อันนี้ขี้เนี่เสี่ยวเลยขี้อันนั้นโอ้เป็นอะที่นกขี้เนี่ยเลยอันนั้นกขี้อั้นเป็นของตกวของเมืองเทวดาเมืองสวรรค์มีขี้บ่สิโอ้ยเมืองเทวดาเมืองสวรรค์กันบนบูมีขี้แล้วเสี่ยวมันเป็นของทิพย์จริงจิมีขี้จยางไรโอ้ถ้าหากเมืองสวรรค์แต่เป็นเทวดาบูมีขี้หอกก็ไปนํำมูกบัได้แล้วเพราะหากินขี้สิก็นึกกระดิหัวลงโรไปนกระดิกหัวหลงกองขี้ให้ เตอนนั้นเองก็เลยจบเรื่องนิทานอย่างนี้ดังนั้นการทําบุญการให้ทานการรักษาตินก็เช่นเดียวกันจะไปคาดคิดเอาลวงหน้าไม่ได้ดังนั้นคนไม่ทันตายจะถือว่าตายแล้วมีความสุขก่็ไม่ได้ตายแล้วมีความสุขก่็ไม่ได้<ม>เหมือนกับเทาไม่ดิบกับไม่แห้งเป็นเทาได้เหมือนกันตายแล้วอาจจะมีความสุขได้เหมือนกันหรือจะต่างกันยังไงก็ไม่ทราบ เพราะเราเป็นเลือกคัดจัดหาเอาเท้านั้นอันนี้เท้าไม่แห้งอันนี้เท้าไม่ดิบเราไม่เห็นเราไม่เห็นเพราะว่าเมื่อเป็นไม่ดิบกับไม่แห้งที่เรามองเห็นด้วยตารู้ได้อย่างสบายสบา ย, บายทุกคนรู้ได้เป็นอย่างนั้นเท่าที่อาตอมาได้ให้ข้อคิดมานี่ก็นึกว่าพวกเรามีการศึกษาเราเรียนมามากเพราะหลวงพ่อไม่มีการ สามไม่ได้เราเรียนแม้ประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์อะไรก็ไม่ได้เคยเราเรียนทางโลกก็เหมือนกันทางธรรมก็เหมือนกันเพียงได้ยินครูบาอาจารย์หรือพอ่อแม่ปู่ยา่าตาทวดเราต่ อ, ต, อต่อกันมาและตัวเองก็เคยได้อ่านเล็กๆน้อยๆแล้วก็จดจำมาได้เพียงเล็กๆน้อยๆแต่การปฏิบัติธรรมนั้นตัวธรรมทำด้วยตัวธรรมเองจึงว่าไม่เสื่อใคร ใครจะว่าผิดก็ได้ใครจะว่าโทษก็ได้การปฏิบัติธรรมะนี่ทว่าดูจิตดูใจตัวเองเพราะจิตใจมันว่ามันทุกข์มันว่ามันไม่ทุกข์กับเพราะจิตเพราะใจมันมืดหนักอกหนักใจก็บเพราะจิตเพราะใจมันเองมันว่าเองมันทีว่าใครจะพูดยังกับว่าจิตว่าใจเป็นนําจิตนํามใจนี่แหละเนี่ยคนสลากับว่าจิตว่าใจคนไม่สลาก็ว่าจิตว่าใจคนทุกข์ ว่าจิตว่าใจคนรวยก่อว่าจิตวาใจคนเรียนหนังสือมากๆก่อว่าจิตวาใจอันจิตใจนั่นแหละมันเป็นอย่างไรเราต้องพยายามศึกษาและปฏิบัติให้เห็นจิตเห็นใจเห็นสีฤทธิ์จริงๆนั่นแหละเราเห็นแล้วใครจะพูดโดยไม่เสื่อใไขทั้งหมดเปหมดพ้นไปจากขวมทุกพ้นไปจากขวมสงสัยอาตมาเคยพูดให้ฟังว่า เหมือนกับเลื้อเนี่ยเอาไปมัดไว้พึ่งไว้ดึงไว้ตัดตรงกลางแล้วมันขาดมันนี้จะดึงเข้ามาต่อกันมันต่อโบได้เมืม่อต่อโบได้กับไปวัดสิ้นสงสัยเมื่อมันต่อกันได้กับไปวัดมันยังไตได้อยู่กัวดการหมุนเวียนของผมคิดก็เช่นเดียวกันการเกิดการตายก็เช่นเดีเอวกันเปรียบเทียบให้ฟัง ได้เป็นเพียงผมอุปมาปมัยเช่นนี้ดังนั้นการปฏิบัติธรรมน่นคืว่าจะขาดคิดไม่ได้จะนึกเดาเอาไม่ได้ต้องปฏิบัติลงมือปฏิบัติให้รู้สึกจริงๆคำว่ารู้สึกนี่เขาว่ากันอย่างนี้ก็เลยพูดไปยืดยาวไปนะก็เพราะว่ามันต้องเป็นหน้าที่พูดยืดยาวไปบ้างคำว่าสัญญาความหมายรู้และจัดได้ แต่สัญญาเนี่ยมันเป็นคำเดียวกันคนรู้ธรรมะกว่าสัญญาคนไม่รู้ธรรมะกว่าสัญญาคนเขียนหนังสือเป็นกว่าสัญญาคนไม่เขียนหนังสือเป็นกว่าสัญญาคนรวยคนจนว่าสัญญาคำว่าสัญญานี่มันมีมากมันมีมากอาตมาจะไม่พูดเรื่องสัญญาวันนี้ได้พูดกับพวกคุณพวกโยมจำไม่ได้เป็นหลายคํามันจำไม่ได้ แต่สัญญาอันนี้มันเป็นสัญญากับการพูดแต่สัญญาที่ตัวอาจจะมาจะพูดคือรู้เรื่องชีวิตจิตใจนี่เองเห็นรู้อันนี้นี่เองมันไม่หลงไม่หลุดแต่จะเอาอันนั้นมาพูดมาว้าให้ฟังโดยละเอียดนั้นพูดไม่ได้เพราะมันไม่มีตัวไม่มีตนเอาเพียงสมมุติมาพูดให้ฟังสัญญาอันนี้เนี่ไม่หลงไม่หลุกหัเทปครั้งนี้คือ เรื่องความคิดหลวงพ่อครับตามที่กระผมได้นำมาสการกราบเรียนถามเกี่ยวกับเรื่องชีวิตในเทปด้านเกาะแล้วนั้นมาในคราวนี้กระผมคาดจะถามเกี่ยวกับเรื่องของความคิดเพราะว่าการปฏิบัติธรรมตามคําแนะนำของหลวงพ่อนั้นได้ยินว่าหลวงพ่อเน้นเกี่ยวกับเรื่องของความคิดการดูความคิด การเห็นความคิดการเข้าใจความคิดซึ่งเป็นที่เข้าใจของพระผมว่ายังไม่เคยปรากฏว่ามีครูบาอาจารย์ท่านใดเน้นในลักษณะเชนนี้มาก่อนเลยที่กล่าวอย่างนี้อาจจะผิดก็ได้จะอย่างไรก็ตามเรื่องของการปฏิบัติธรรมะนั้นสถานที่ที่จะใช้ปฏิบัติจริงๆก็ได้แก่กายกับใจซึ่งไม่จาเป็นว่าจะต้องมากาหนดว่าต้องไปหาสถานที่ในถ้ำ บนภูเขาในป่าหรือเรือนบ่านและเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติธรรมะนั้นก็คือกายกับใจและก็เพื่อให้เกิดความรู้ยิ่งเห็นจริงในกายในใจอีกเช่นเดียวกันดังนั้นในที่นี้กระผมจึงขอกราบเรียนถามหลวงพ่อถึงสิ่งที่เรียกว่าความคิดกับความสำคัญของสิ่งนี้ต่อการปฏิบัติธรรมะอย่างต่อไป น, นี้ครับผม ข้อที่1ความคิดคืออะไรมีกี่อย่างและความคิดนั้นเป็นกิเลสหรือไม่ใช่กิเลสข้อที่2ตัวชีวิตกับตัวความคิดเป็นอันเดียวกันหรือเป็นคนละอันกันและมีความสัมพันธ์กันอยู่อย่างไรบ้างข้อที่สความคิดเกิดขึ้นมาได้ด้วยวิธีใดครับผม ข้อที่4เหนือความคิดได้โดยวิธีใดครับผมข้อที่หผู้ดับสนิทแล้วความคิดมีอยู่หรือและต่างจากความคิดโดยธรรมดาอย่างไรบ้างครับผมข้อที่6ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายนั้นกระผมพระจักราเปี่ยนถามถึงความแตกต่างของความคิดในสามลักษณะดังต่อไปนี้กล่าวคือหนึ 1. ความคิดของปุถุชน 2. ความคิดของผู้ที่เห็นความคิดแล้ว 3. ความคิดบริสุทธิ์ของพระอาหารหันตสาบกและพระพุทธเจ้าคำถามก็จบลงเพียงเท่านี้ครับผมถ้าหากว่าหลวงพ่อจะกรุนาสแสดงเป็นภาษาเมืองเลยและถนัดกว่าและเพื่อให้ได้เนื้อหาซึ่งลึกซึ้ง กระผมและศิทิยานุสิตทั้งหลายก็พร่จะข อ, อนามส ก, การเรียนถามและขอฟังเป็นภาษามึงเลยครับผมขอได้โปรด ก, กรุณา <c oughs> คุณสัจพันธ์พร้อมด้วยคณะและญาติโยมทั้งหลายซึ่งมาถามปัญหาหรือเกี่ยวกับการสังเทศ เรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมนั้นการเทีความถามนี่เป็นปัญหาที่สําคัญ <c oughs> ตัวของอาตมาเองพอไม่ใช่จิตเป็นผู้วิเศษหรือผู้ตั้งกับเพื่อนมนุษย์ทั่วไปมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้น <c oughs> การปฏิบัติธรรมนั้นตามความคิดความเห็นของ อาตมาหรืออุดมการของอาตมาเพราะอาตมาได้ทํามาแล้วอย่างใดเลกอาตมาก็จะนําเรื่องนั้นมาเล่าสู่ฟังคือการให้ทานก็ดีการรักษาศีก็ดีการทํากรรมฐานก็ดีการเจริญนิพพานก็ตามมันเกี่ยวกับความคิดที่ทําอย่างอื่นๆก็เกี่ยวกับความคิดทั้งนั้นจรงว่า การปฏิบัติธรรมนั้นคือว่าให้พี่ปองเข้าใจกับผมคิดหรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าตัดสู่เพราะการบําเพ็ญหรือการภาวนาหรือการทําทางจิตทางใจว่าอย่งนั้นจึงว่าอาตมาก็มีความเข้าใจจิตว่าเน้นเรื่องของคิดอาจารย์องค์อื่นๆนั้นพจน์เน้นเรื่องไหนก็เป็นเรื่องของเพิ่นอาตมาเคยทํามาแล้ว วิธีอื่นๆก็เคยทำมาเพียงเล็กๆน้อยๆเพราะว่ามันยัวัฏฐนปรากฏยมงัฏฐนมีความรู้สึกในตัวทั้งหมดเลยวันนี้จึงว่าการตอบปัญหาของโมคณะญาติโยมมาฟังเทศฟังธรรมหรือว่าฝังข้อวัดปฏิบัตินั้นก็จะตอบตามอุดมการของอาจารเองเมือ่อเน เป็นวันที่เจ็ดธันวาคมสอง9ันห้ายี่สิบความคิดคืออะไรมีกี่ยางความคิดเป็นกิเลสหรือไม่ใช่เป็นกิเลสผมถามปัญหาของพวกท่านทั้งหลายถามอย่างนี้ความคิดคืออะไรนะคือน้ำที่สะอาดกับสีที่เอามาผสมกับน้ำ เพราะมันมีหลายอย่างน้ำสีมีสีดำสีแดงสีซิลสีเหลืองแล้วแต่สีน้ำเป็นน้ำซื่อๆน้ำที่สะอาดอยู่เอาสีมาใส่ย่างไงก็ต้องเป็นไปยานนั้นผมคิดจึงมีมากหลายโมดสามารถที่จะเอามาเอาให้ฟังได้ผมคิดเลือกเป็นกีเลสโมเป็นกิเลสนั้นอันกิเลสนั้นไม่ใช่ตัวผมคิดอันคิดขึ้นมา อันดีซัวนั่นกับเป็นกิเลสเนี่ยอันคิดซื่อๆนั้นบุตมีกิเลสคิดความคิดมันมีหลายอย่างที่ว่าให้รู้เท่าทันกับความคิดมันคิดขึ้นมาให้เห็นให้รู้ให้เข้าใจสัมผัสแนบแนกับความคิดอนั้นและอยาเข้าไปในความคิดอันนั้นจะาา ม, นนนนมาเข้าใจอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมความคิดจึงเป็นสิ่งสําคัญ เพราะมัน อ, อยู่กับกายภาษาบ้านเขาเรียกว่ากายกับใจคันภาษาธรรมะ centered, นัน้นว่าลูกกับน้ำผันวายอางนั้นคือว่าปฏิบัติธรรมะที่แรกอาจรมาถึงรู้จักรูปรู้จักน้ำก่อนรู้จักรูปธรรมน้มธรรมรู้จักรูปลกน้ำโลกลูกโ ล, ล ก, ลกลน้ำโลก น, น, นี่มีสองอย่างที่อาจามาไปปฏิบัติอัจมาเข้าใจอย่างนั้น แล้วก็รู้จักรูปโลกนามโลกแล้วก็รู้จักพวกขงังอนิจจังอนัตตาพวกขังนั้นหมายถึงมันติดอยู่กับรูปอะไรสักอันิจจังหมายถึงบุเทียงอนัตตาบังคับบาษสาบไดายเข้าใจอ ย, ยงนั้นแต่ก็เป็นของจริงอีกะด้วยนะที่อาตมาเห็นเว่านั่งอยู่นิ่งๆบไดาย <c oughs> อาตมาเป็นอย่างนั้นเพราะบ่บบบเหน่งมือเหน่งเท้าก็ต้องพิษตา เลือดใต้แหลกหัวแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกให้ว่าตนโตเฮาเนียจิจูดิ้งนิ่งโบไดจิว่าเป็นพุกขังมันเป็นพวก อ, อนิจยังมันบบเทียมมันเป็นอย่างสันหยุดตลอดมาจะลูกกับเป็นอย่างสันบุลูกกับเป็นอย่างสันอนัตตาบังคับบรรดาโบไดเพราะมันเป็นไ ป, นปนตามธรรมศาสตร์เรื่องผมคิดอันนั้นรู้จกักจังสีเห็นจังซีเข้าใจจังสี เมื่อรู้จักอันนี้แล้วก็รู้จักสมมุตริรดอาตมาที่มาบกัวผีบกัวเทวดาสิ่งที่สมมุติขึ้นในโลกนี้ให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจแล้วก็สัมผัสได้ทุกอย่างผู้ใดที่มาถามเรื่องใดก็พูดไปตามอุดมการณ์ของตัวเองที่รู้ที่เห็นนั้นเข้าใจอย่างนั้นเมื่อรู้จักสมมุติครบทวนจบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็รู้จักศาสนา ศาสนานั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เคยสอนมาว่าควอมตั้งสอนอะท่านผู้ใดห่วงเนี่ยก็ต้องเอาข้ามันอย่างมาสร้างมาสอนศาสนาจึงว่าเป็นขั้มตั้งสอนของทานผู้รู้ยังมีหลายศาสนาพุทธศาสนาบัณฑพุทธแต่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้บุตรบานด้วยธรรมอะไรการรู้ธรรมเห็นธรรมเข้าใจธรรมก็คือรู้ตัวเขานี่แล้วการทำการพูดการคิดนี่แล้ว อันนี้เหตุธรรมเหตุอันนี้อาตมาแต่อืดอึนนั้นให้อาตมาบุได้เหตุอยู่ตลอดเวลาอันนี้เห็นอยู่ตลอดเวลาที่หลักตาก็เห็นมืนตาก็เห็นย่างไปใส่มาใส่ก็เห็นเหตุอยู่ทั้งนั้นเพรเห็นตัวเองเนี่ยบ้าบันเนี่ยบ้าก็คือความบุคคลงโง่คือมืดอยู่ในจิตในใจนั่นแหละบุนบันเนี่ยบุญคือเห็น บุญคือรู้บุญคือสะอาดบุญคือสว่างผู้ะเจ้าจิมมาลอกมาตัว๋วโบเสือบาปบุญนรกสวรรค์โบเสือเพราะตัวเองรู้แจ้งเห็นจริงดังนั้นความคิดจึงมีมากกิเลสก็มีมากาะไม่สามารถที่จะเอามาเล่าเป็นข้อเป็นตอนเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้เพราะหลวงพ่อเาบาเคยได้ศึกษาเราเรียน <c oughs> เรียงกเกียนแต่ภาษาที่ปฏิบัติตัวเองนี่เนี่ยจึงว่าให้พู้จากตัวเองเนี่เนเมื่อพูดถึงกิเลสมากมายหลายเรื่อง น, นับพูดถึงเรื่องพระไตรปิฎกที่ดืมเท่นึงพระไตรปิฎกนั้นเขาเข้าใจกัว่าแปด0มื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ากันพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็ภูยญาตาทวดราให้ฟังพระสูตรตันตปิฎกสองมื่นหนึ่งพันพระธรรมขันธ์ พระวิในปิดกสองหมื่นหนึ่งพันพะธมะคันรวมกันสองปีดกนี้เป็นสี่มื่นสองพันพระธมะรมคันหมด้พระอธิธรรมปีดกเดียวแบบนี้สี่หมื่นสองพันพธมคันรวมเป็นแปดมื่นสี่พันพธมคันมันเรียนบกคบได้ย่ว่าอันผมคิดก็เหมือนกันนั้นคือกับน้าที่สะอาดเอาสี่อันใดมาใส่กับไปสี่อันนั้ดความคิดนั่นก็คือกัน และแต่มันจะปรุงไปมันจะปรุงไปเรื่อยๆปรุงไปแต่เราเห็นว่ามันเป็นทุกข์อันโคมทุกข์กับกิเลสเป็นอันเดียวกันที่ว่าพูดให้ฟังกันสั้นอันกิเลสกับคมคิดกับเป็นอันเดียวกันคิดดีกับเป็นกิเลสคิดตัวกับเป็นกิเลสเพราะโบดีกับตัวผมคิดนี่มันเป็นอะไรดังนั้นคำสอนแปดมือสี่พันพระธรมพระธรมมาขันนั่งกัมีกายหนึ่ง วาจาหนึ่งใจนึงมันมารวมอยู่กับพายกับวาจากับใจนี้คันจีว่ากันเป็นพท ส, สูตรกับพ ส, สูตรเนื่องก็คือกายพสูตเนื่องก็คือวาจาพสูตรเนื่องก็คือใจเนี่ยจีว่าสามปีดุกนี้ดังนั้นอันคมคิดนี่มันคิดอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับน้ําไหลอยู่ตลอด น, นี่พอที่จะเข้าใจแล้วความคิดอย่างนี้เป็นเรื่องกิเลสบุบิกิเลสเรืกันอย่างเอาไว้ เรากันครั้งสุดท้ายอันน้นข้อที่สองตัวชีวิตกับตัวความคิดเป็นอันเดียวกันหรือเป็นคนละอันกันและมีความสัมพันธ์กันได้อย่างไรคนถามอันนี้การน่าคิดอยูสักกันความคิดกับชีวิตนั้นคนละอันกันชีวิตกับความคิดนั้นความคิดมันคิดเรื่อย สิวิทย์ความเป็นอยู่และความคิดกับเป็นยูคือกันมันเป็นยู่อย่างนั้นคือเป็นอยูกับอนุญางกันชีวิตนั้นเขาที่ว่าลมหายใจกัแมนมดลมหายใจกับมดสิวิตยแต่ว่าตัวลมหายใจกับชีวิตน่นกับอนุญานกันมันสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันไปเมื่ถ้าหากที่ว่าการเกี่ยวข้องกันนีแต่ว่าให้เขาเห็นให้เขารู้ให้เขาเข้าใจให้เขาสัมผัสแนบแนกับโตเฮานี้เองที่ว่าอดีตอนาคตนั้น มันแก้บัได้ดับกลมทุกบัได้จะแก้ได้ดับทุกได้แต่เฉพาะปัจจุบันเท่านั้นเขาเข้าใจจัางสันอันที่อาตมาเขาใจอันเนี้ยผู้อื่นจิเขาใจจังได่กับบุผู้จัก <c oughs> สร้างความคิดเกิดขึ้นมาได้ด้วยวิธีใดมันก็เกิดโยนสันแล้วแต่ว่าคนคิดเกิดได้นั้นงามเขาเพอเขาบวยเห็นเขาซอบคนนั้น เียติคนนี้ดีใจเสียใจนั้นเขาบุาได้เห็นความคิดเขาได้ในขนาดมันเกิดขึ้นมาแล้วเขายังรู้บางคนบางคนบมลูสับจนตายเน่าเข้าลงเปน็นะงรันวันนี้ข้ <c oughs> อที่สีเมื่อความคิดได้โดยวิธีใดพอพ่อเขาเห็นเขารู้เขาเข้าใจเขาออกหน้าของคิดสมมุติให้ฟัง หลวงพ่อเคยสมมติทังสี้เขามีสุนัขกรได้หรือมีคุยน้อยกระได้หรือมีอันแดกก็าตามเอาเสื้อมัดคอมันอะไรบันนี้เขาก็เลยตีมันเที่ยนมันมันเลยแลนบันนี้แลนเสื้อมันนักเทียมตัวมันไปเขาดึงโบบโ บ, บแบมันมันต้องดึงเขาไปโหลดอันควรคิดออกหน้ากันเส้นเดียวกันอย่ังนั้นจึงว่าข้าเขาจะเอาสนะมันวะจ๊ะพอดีเขา เทียนปั๊บเขาจะออกหน้ามันรถดึงขนหน้ออกหน้ามันไ่ได้ก็ดึงมัให้เหี่ยงค้างมันหลอนหกมันมันก็ไปบดได้แล้วเขามันเสื้อดึงขอมันก็อวยหน้าใส่เขารดเนี่ยเขากระจุงเขาก็ออกหน้ามันได้รถจังว่าให้เขาหูจักตัวเหานี่หูจักผมคิดเหวนี่มันคิดอย่างไงให้เห็นให้หูให้เข้าใจมันนี้อันนี้เขาสนะมันได้อันนี้ผู้ดับสนิท เห็นความคิดได้โดยวิธีใดก็เพราะความเคลื่อนไหวของหูจักนั่นแล้วเขาให้มีสติว่าจนกระได้โดยเฉพาะให้หูจักโตเขาก็ว่าได้พลิกมือขึ้นก็ให้หูมือพวมมือลก็ให้หูมือวิธีของหลวงพ่อหรือของสมัย่างติยกมือไปเอามือมากรให้หูมืออ้อมเงยกรให้หูมือเหลียว้ายแหลกขวกก็ให้หูมือ มือนตาขึ้นกาให้หูมือหลับตาลกาให้หูมือตาเลือกท้ายแหลกขวกาให้หูมือคกินน้าลายเขาเป็นลำพอกันให้หูมือหายใจเขาหายใจออกกให้หูมือให้หูมือสื่อๆนี่เด้แบบ น, นี้ทำอันนี้แหละมันคิดขึ้นมาก็เลยเห็นก็เลยรู้ก็เลย อ, อัศนะเหมือนได้ดยวิธีจังติที่อาตมาเห็นอาตมาเข้าใจ่างติแล้วก็พ้อที่ห้า ผู้ดับสนิทแล้วความคิดมีอยู่หรือและต่างจากความคิดโดยธรรมดาอย่างไหนต่างกันแตวอจามาค่ไแม้แ่เจมที่เป็นผู้ดับที่เลตนะตัญหาอันใดให้มากมายดอกกับ <c oughs> เป็นคนธรรมดากันนี่แหละแต่มีความเข้าใจอย่าง <c oughs> ตีต่างกันแต่ก้อนนั้นบ่หัวจับ มันคิดไปร้อยอันพันอยาน่างโบรูจ้จักบัณฑิตมาเห็นมารู้เลวโอ้ผมคิดมันเป็นอย่างที่ได้เน้เข้าใจอย่างที่จนว่าทําให้มันถึงที่สุดของผมคิดนี่แหละมันก็เลยเปลี่ยนหน้าตาออกมาเหมือนกับเขาไปเบ่งหนังเขาไปเบ่งแต่จอหนังพุ่นเขาโบได้เห็นก้องถ่ายรูปออกไปมันไปซึ้งกับจอหนังพุ่น ก็เลยไปติดอยู่บัตรนี้กลับเข้ามาเบื่งทางจอหนังบนเขาท้ายรูออกไปกล้องกล้องหนังหลวงพ่อบุหุจักนังแต่หลวงพอ่อโบเขื่อนจักเลยหลวงพอ่งพอมาเปรียบเทียบซื้อความคิดเทพแต่ตั้งห่องความคิดสามระดับเก้าคือความคิดของปุถุชนเป็นอย่างไหนข้อหนึ่งความคิดของบุถุชนนั้นคือบุหงเหงคมคิด บ่เห็นจักเถื่อการเคลื่อนการไหวของตัวเองนะครับบ่เคยกำหนดกฎเกณฑ์จากเถื่ออาตมาเคยทำบุญเคยรักษาศีลเคยทำกรรมฐานมาเล็กๆหน่อยๆให้ว่าพอสมควรจรึงว่าบ่าเสื่อคนบ่เคยเห็นจักเถื่อเมื่ออายุสี่สิบหกปีนี่แหละอาตมามาทำขวมเคลื่อนไหวพิกมือขึ้นกับหูมือหัวมือกับหูมือเนื้อเลยหู้จักขุมศี อันนั้นโคมคิดของบ bueno, ุโรหิตัวนั้นคิดบุหุจักหนักแต่บุหุจักว่าหนักได้ความคิดเท่า้แต่มหนักเพราะบุหุจักนะเขาห้าบของหนักแล้วเขาบุหุจักของหนักอืมันหนักแต่มันโบมันห้าบของหนักได้มันหนักอยู่ใจคนนี้เนี่ยคมคิดของบุุโรหิตตัวนีนวันนี้ความคิดผู้ที่คิดเห็นความคิดแล้วนั้นเป็นอย่างไง ผูดให้เห็นผมคิดแล้วนั้นกับเ่อเห็นเธอโบเห็นเธอได้เื่อเสียให้ว่าเธอไปอันนั้นเนี่ยว่าผู้เห็นผมคิดแล้วแต่หากเื่อเห็นเธอบอกคลายคือเป็นว่าผู้เห็นภายในผานั่ น, น, น, น, ผ, นผู้หนึ่งผู้เรื่องบุญธรเห็นภายในผา น, น, านการทําบุญกรรมบิกาสร้างนานะอ้นอนวอนเขาผู้ที่เห็นในพานแล้วนั้นพยา ย, ยามให้มาถึงในพานเป็นวามันเรียกวความคิด ที่บริสุดของพระอรหันต์สาวกหรือผมคิดของพระพุทธเจ้านั้นเป็นอย่างไรตัร้งกันอย่างไรต่างแต่แตมากระโบผู้จักและผมคิดของพระอรหันต์ผมคิดของพระสาวกหรือพระพุทธเจ้านั้นก็ได้เพราะว่าเหากเราได้เป็นพระอรหันต์จิว่าเป็นสาวกพระพุทธเจ้าก็ได้หรือว่าบุตเป็นก็ได้เพราะว่าเสื่อมั่นในตัวเองความคิดของปุโรหินั้น น่ะแน่นอยู่ความคิดของผู้เห็นควมคิดแล้วเดี๋ยว่าเห็นทำเห็นทำมากกวเห็นนิพานนั่นแล้วได้หักเอานิพานมาใส่โบได้ตามความคิดของอาตมาอันเนี้ยคล้ายๆคือคนตกน้ําตกน้ําลงไปในบางคนก็จมลงไปฮอดพื้นดินก็ยันขึ้นมาแล้วบทนได้เรียกเบื้องต่อฟังทางใดจมไปอีกซึองนั้นเป็นภาษาสุรุสุนเปรียบเทียบได้อย่างสิ้ บันนี้ผู้นึงตกน่านลงไปจมพอดพื่นดินหลอนยันเพื่นดีขึ้นมานาำพ่นน้ำขึ้นมาก็าเลี้ยวเห็นตะฟังเขาพยายามลอยไป่ใส่พื้นดินบุถึงดินนี่ลอยแต่ใส่จนเท้าสีถึงดินผู้นึ่งผู้นึ่งเนี่ยโดดเ อ, อตกน่านลงไปน้าก็่าเพียงของเข้าแลือกลางแขงกลางขามื่อนี้นี่ยกันยางไปผู้นึงน่ะ นั่งอยู่แต่ฟังคุณแล้วเบิง่งทางนั้นทางนี้อันนี้เรียกว่าความคิดของผู้ที่คุณแล้วให้ว่าจะไปมันพิกันอย่างที่คือโบนัสแกความคิดมีคือกันแตกปัญหาเหนือความคิดคือว่ามันบุญหลวงความคิดเนี่ยเข้าใจอย่างทิดตามความคิดความเห็นตามความเข้าใจของแอต่มาการแก้ปัญหารหรือตอบปัญหานั้นมันอาจจะถูก จะหลีดนิ ส, สัยของแต่ละผลอาจิจะบมเหมือนกันภาวะความคิดคนเห็นของผู้ถามอาจจะเป็นอย่างนึงความคิดคนเห็นของผู้ที่ตอบก็อาจจะเป็นอย่างนึงดังนั้นความคิดจึงมีมาคํ<ม>าว่ากิเลสก็คือการมีมาแต่ว่าโตจิตโตใจโตชีวิตจริงๆนั้นบ่มมีกิเลสเขาจึงเห็นความคิดเขา<ม>อันที่มันมีกิเลสนั้นกิเลสซึ่ง่งอมอยู่ เนื้อทื่อปกปิดไว้ของเลยโบได้เห็นกิเลสแต่ว่ากิเลสนั่นจี่มาครอบงาจิตใจได้แท้ๆกระโ บ, บนี้จีเปียบเทียบให้ฟังคือเ่าอยู่บ้านห่าเหาว่าตะเว็นมืดแต่เวนบดโบแจ๊บโสว่างมืดเนี่ยเพราะต่เว็นมืดแตะเวนบดสบายดีกับของเฮตไทยเฮตนาก็ได้แบบพูดสบายแบบนั้นมันหนัก มันนักอกหนักใจให้ว่ามันโบสว่างในใจเนี่ยมันเปรียบเทียบโบเมนว่าว่าบสบายหอบโบแดดโบฝนโบตกนั่นโบห้อนโบหนาวนั้นโบเมสสบายอย่างไรคือบ่สบายได้มันมืดใจมันมืดใจมันโบสว่างเขาหักบุคคละเพราะว่าเขาอยู่นํากิเลสมานานแล้วเนี่ยกิเลสมันปกปุมอยู่นานแล้วเนี่ยความคิดอันนั้นมันปกปุมทำมานานแล้วเนี่เขาเลยโบได้เข้าใจ บันนี้ควมืด น, น, นคะครัว่าฟ้ามืดฟ้าบดนั้นมันบนแมกตะเวนบดได้ตะเวนบดต ะ, นบตะเวนมืดทวารอันเฟื้ออันเมฆนั่นอันควรแล้วนั้นที่ไปจับเกาะยึโดวตะเวนกบวับโได้มู่ท่านมู่คุณเคยทํางานเคยไปที่นั้นที่นี่อันนี้ก็เลยเอามาเปรียบเทียบอาตมากรไดไปขึ้นเครื่องบินในข้าเจ้าได้ไปเห็นขาเจ้าสมัย ไปที่ให้ว่าไปหลายบ่นอนน่ะที่ว่ากับ ว, ว่าตามคนจริงสมัยที่ไปสิงคโปร์หรือไปมาเลเซียเนี่ยเข้าใจคักอันนี้แล้วก็แล้วก็ได้นั่งเครื่องบินมึงเลยอุรหรือเมึงเลยขนแกนหลงเมื่อกี้ในว่าอุรอมึงเลยขนแกนเนี่ยได้นั่งไปนั่งคือมันก็เห็นแล้วก็ได้นั่งเครื่องบินมาจาก เมืองเลยคอนแกคนคงเทพนี่ได้นั่งไปหลายเครืออยู่เรีวกว่ไปสายหาดใหญ่นี่ก็ได้นั่งไปนั่งเครื่องบินจะไปที่สิงคโปร์ยังที่วานั่นแหละเครื่องบินไปสูงสูงเขาเบิงง้งอ่อนเฟื้อเขาเอิญเฟื้อเนี่ยทีแรกเขา อ, อยู่ลมพี่อยู่พื้นดีนทีว่าเฟื้อมันอยู่เสียงฟ้าบนวัดแล้วมันมีการสิ้งจุดอย่างไรเรื่องผมคิดมันเป็นอย่างนี้ วันนี้เขาขึ้นเครื่องบินตปนางเครื่องบินไปบุญเป็นข enfin in it well. ึ้นเครื่องบินของเครื่องบินทาเขาไปของนางเขาเบิ้งออกไปประตูเนี่ยเือเห็นก้อนเฟื้อก้อนเมเป็นก้อนจกปกเจ็ดเปกคือภูบ้านเขาเนี่บ้านหลพ่อเขามันมีภูเขาเขาอยู่บนลมที่เรือเบิ้งผูมันเป็นจกปกเจ็ดเปกอยู่เขาวสามารที่ที่เห็นสูงกว่านั้นได้เนี่วันนี้ฟื้อนั่นอ่ะมันอยู่ชั้นกลางนี้เครื่อบินนั่นมันอยู่ชั้นสูงคนอื่น ใครไม่เหินบิ น, นน้อยอย่างที่หนพ่อนั่งมาจากเมืองเลยมาคอนแกนเนี่ยบุกไปสูงกวไ่า น, นั้นแล้วก็พาเพื่อพาเมฆพาควันเพื่อน่ไปทานไปวันนี้เขานั่งอันเหินบินง่ายนั่นมั น, ข, น, น, มนขึ้นไปสูงกว่านี้มันขึ้นไปสูงกว่าเพื่อุเนี่ยเป็นะสันเนื้อไปเห็นนะสันเนี่ยนี่เข้าใจอย่างสี่อันกิเลสก็คือกันอันตะเวนเขาว่าฝ่ามืดฝ่าบดก็คือกัน เขาขึ้นไปให้มันสูงสูงคนเฟือนะ่นุนแล้วเลียวไปฟ้ากันอย่า ง, งุทธเหงุผลอีกตืมได้แนละ้วอาจจะมาแต่ก่อนบุหุจักว่าฟ้าเนี่สูงฟ้าขูมดินเะนี่ยขูมดิแ่แเข้นี่มันสูงขึ้นไปเนาะสูงขึ้นไปลรอกขึ้นไปมันสูงพวกเฟือ่โเมฆมาที่ไปใสู่้กับบุูุจักนะ้รอันนี้สมมุติซื้ออันนั้นจากว่าเขาขึ้นไปสูงแล้วบุมมีอันทีมาบทมาบังเอาได้แต่ผมคิดนี่คือกันเรื่องผมคิดนี่ จะว่ายังไงหัมันก็หลายได้โลกคิดความคิดที่เป็นกิเลสนั้นคือเขาบ่าเห็นบ่เห็นมั น, มนกระพาวให้เขาทําไปแต่ตัวคิดนั้นน่ะมันก็เป็นอีกเรื่องหนึตัวหูคิดนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ ง, ง, งมันก็เป็นคิดคือกันอันตัวหูจักความคิดก็เป็นคิดคือกันอันตัวคิดนั่นก็เป็นคิดคือกันมันมันหลายเนาะเปียกได้คือกับน้ําสี สียอมผ้าเนี่มันมีหลายสีแต่นน้ำน้ำเป็นอันเดียวมีแต่นน้ำอันเดียวนานที่สะอาดนั่นแหละแต่สีนั้นแทนหลายสีสีดำสีแดงสีซีวสีมุยสีเหลืองขอจีว่าน้ำนั่นก็หลายอันคือการขจีว่าผู้จีวากันผู้แนวผู้จีวา่ว า, วาให้ว่าจะไปบรรบุญมีการตีดสิ่งที่จบเป็นแล้วบอกบอกของผลเลยบางคนขจีว่าน้ำเล้าน้ำกัน้น น้ำฝนน้ำของน้ำห้วยน้ำบ่อเอาตะจีวาเปแล้วเรื่องหลวงปู่ว่ดขาน้ําคือกันเมดน้าที่หลวงพ่อวานีก่อนน้ำที่สะอาดเป็นน้าคือกันเมดทุกน้าแต่โบได้ว่าน้าเล้าน้าอย่าบโบว่าว่าแต่น้าที่สะอาดที่ซื้อวานี่บานี้สีดำดำแถสีแดงแดงแถโบไม่น้ำเอามาใส่ น้ำขั้นออกสีมาใส่น้ำก็เลยแดงขันออกสีดำใส่น้ำก็เลยดำเอาสีเหลืองไปใส่น้ำก็เหลืองเอาสีซีวไปใส่น้ำก็ซีว์อากสีมุ้ยใส่ใส่น้ำก็เป็นสีซีวสีมุ้ยไปให้ว่าเอาสีอันใดใส่น้ำเป็นสีนั้นเป็นเมื่นานเนี่ยว่าความคิดที่เป็นกิเลสว่าเป็นกิเลสก็คือกันเนี่ยว่ามันบ่มีตนบ่มีโตหรือผมคิดเนี่ยี่ว่าเน้นเรื่องผมคิดการปฏิบัติธรรม เพราะว่าพระพุทธเจ้ากระตัดสัลูเป็นพระอาหารหันต์นะครับเพราะด้วยควมคิดการให้ทานนั่นดีแล้วการรักษาศีลนั่นดีแล้วการทํากรรมฐานนั่นดีแล้วอันนั้นมันมีมาก้อนอันนั้นผู้ที่เคยได้บวชเฮียนเขียนอ่านนั่นก็นกนมุ่งจักแล้วการบวชนั่นก็นมีก้อนแล้วอนี้เมื่อพระพุทธเจ้าเขานี้ขอเขาเป็นพระพุทธเจ้าสมัยเกิดขึ้นมานั้วก็มีการ เซินเอ า, าพามร้อยแปดคนคนไว้มา ท, ทักทักทายลายซื้อหลายเสียงเนี่ยแล้ว ก, ก็ะยู่มากะมาเป็นเจ้าฟาร์มหักศัตรูแล้ว ก, ก็เห็นลูกเทพสมณะกระบวษเนี่ยกระบวษตามเขาเจ้าบุษแล้วก็ไปทํากรรมฐานกับครูทั้งสองคนนั่นกับจนได้สมาบัตเต็ดเนี่ยอันนั้นก็ซื้อว่ามีมาก่อนมรคนี่ผ่านกรรอยู่แล้วบุญหุ่นจักมีคนเว้าจังสัญยุ่มนี่มันเป็นจนว่าพระพุทธเจ้าของเขานี่แหละ มาคนคิดเห็นผมคิดเยงว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจพระนิพพานก็อยู่ที่ใจอันใจเขาเนี่ยมันอยู่ที่กายกับใจเขาเนี่มันอยู่ดั่งกันนี่นะเขาบูมุกจักมันซื่อนี่นะดังนั้นเขาเคยได้ยินพระพุทธเจ้าเขาเนี่ยพอกจ้าครูมาแล้วก็มาอดเขาอดน้ำเนี่ยบวกกินขา้าวบวกินน้ําำจนมาจ้อยจนมาพอมีิกระดูก รูปหน้าทองฮอททางหลังรูปทางหลังฮอทหน้าทองเป็นวันแล้วกับโบได้เป็ี่ยนพระโพธิเจ้าในบทแมสอันนะั้นให้ว่าทิฐิีผมเห็นเสื้ออั น, นคิดกระเฮ็ดไปโลถวันนี้ก็มากินมะขามป้อมหมอกสม้มหมอโมูนี้ปัญจวัาคีต่างข้กันหีไปนี่อันนี้ก็ซื้อวัดสัดข์กายสนัดข์วาจาใจบวชสัดเขาคิดไปยุในทัพมันก็บดดวชสังข์ น, นี้ใจนี่มันคิดอยู่ตลอดเวลาได้นี่ วันนี้ก็มากินข้าวหนังสุดดาเอาขันไปเที่ยงมาจันเอาขาวเอาขันไปเที่ยงให้มันไหลขึ้นเมือนทางต้นน้ำผมว่าจันถ้าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าจะไ่ได้เป็นพระพุทธเจ้านั้นให้มันไหลไปตามน้ำผ่านวันแล้วมันบุไปอันนี้แหละเป็ว่าเบื้องความคิดให้เห็นความคิดมันคิดมาให้เห็นให้หูก็ขึ้นไปถึงต้นน้ำแต่ก็เห็นต้นตอของความคิดเลยบ่เหมือนอันนี้ ก็เห็นความคิดอันนี้เตะเถือทันเธอกบ่ออันสมมุติเอาอันนี้อาตมาโบเห็นพระพุทธเจ้าโบได้เห็นพระอรหันต์สาวกของพระพุทธเจ้าแต่ตัวของอาตมาก็าโได้เป็นพระอรหันต์จึงบ่งหุจักจิตใจของพระอรหันต์ตัวของอาตมาก็าโได้เห็นพระพุทธเจ้าจึงโบได้ว่าเรื่องจิตใจของพระพุทธเจ้าว่าวรองจิตใจของตัวเองอันโบอยู่เดียวนี้